ปฏิบัติธรรมกันไม่มีอะไรดีกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัตว่ากลับกลับมาหาธรรมธรรมชาติธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจ มันมีอารรมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติอันมีอากัสรธรรมความไม่ฉลาดเรียกว่าความโง่ความไม่รู้รู้ไม่ถูกแล้วมันก็มีความรู้วิชา รู้สึกตัวเวลาเกินไหวรู้ถูกเป็นปัจจุบันรู้ถูกแล้ก็มันฝึกหัดปัจจบัิจนจำนานรู้ถูกจนจำนานมันรู้ถูกเรื่องหนึ่งอีกหลายเรื่องมันก็รู้ไปเอง รู้เองมันเป็นคุณสมบัติเป็นคุณค่าเป็นคุณภาพเป็นประสิทธิภาพเราก็ใช้ชีวิตในอย่างสะดวกมีความถูกต้องงดงามถ้าหากว่าเราไม่เคยฝึกเคยหัด มันก็ไม่พอใจเมื่อเราทำงานเราตั้งใจทำงานทำงานถูกต้องก็ได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มันก็มีกินมีใช้จะให้เหลือกินเหลือใช้ก็ต้องอดออมมันเก็บมันรักษา มันคือความรู้สึกตัวนี่แหละ <c oughs> เราขยันรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนมันไ ม, ไม่ใช่ความขยันจะมีการรู้ตื่นสติมันตื่นไม่เกี่ยวกับกลางวันไม่เกี่ยวกับกลางคืนมันตื่นไม่เกี่ยวกับนั่งกระเดินกับยืนกันอนมันเกี่ยวกับรู้สึก ใจจาปิบตาจะทำอะไรก็ตามมื่อเป็นความรู้สึกมีความรู้สึกมันก็คือมีสติมีสติมันก็รู้สึกมันเป็นความรู้ที่พอดีมันเป็นความรู้ที่สมดุลมันเป็นความรูทมมม้ที่ถูกต้อง มันเป็นความรู้ที่ปล่อยวางมันเป็นความรู้ที่เห็นโลกตามความเป็นจริงมันฝึกมันทำขยันทำ มันได้มาตรฐานมาตรฐานก็คือเสมอต้นเสมอปลายทำอะไรมันก็ไม่รีบสรุปเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาบนมันจะมีความเป็นกลาง ยุติธรรมยุติโดยธรรมแต่การปฏิบัติเนี่ยผู้ฝึกก็จะมีประสบการณ์ในการเผชิญอารมณ์ที่มากระทบลราก็สังเกตได้ผ่านได้ เราทำจะให้มีการพัฒนาที่มันทนอกตันใจก็ต้องมีการสังเกตรู้สึกตัวแล้วก็สังเกตสิ่งที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวเราไม่ให้คุณค่าไม่ต้องใส่ใจใส่ใจกับสิ่งที่เรากําลังทํา ค, ความรู้สึกตัวแต่ละขนาะความรู้สึกตัวแต่ละวินาทีความรู้สึกตัวที่กําลังบ่มเพราะสะสมทําอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ก็รูเป็นครั้งรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งไม่เกี่ยวกับเรียบรถนั่งเดินเกี่ยวกับมันรู้เป็นครั้งเป็นขนาะด เป็นกัณณนะเป็นกัณณนะเป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาแล้อว่าการยกมือเคลื่อนเนะี่ยเราสร้างขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตนะเป็นแหล่งงานแหล่งการความรู้ตัวที่เราผลิตมนะันเป็นคู่ปรับ เป็นป่ายตัวข้ามความคิดนะ่ะมันก็เป็นโรงงานผลิตของมันเหมือนกันมันก็ผลิตตัวหลงแต่ความรู้สึกที่กายผลิตตัวรู้ขึ้นมา สมให้หรานความทุกข์ก็คือการที่เราไม่ได้เจตนาคิดมันก็ผลิตขึ้นมาบ่อยทีจนทำให้เกิดความฟุ้งซ่านความเครียดความกังวลท้ายสุดก็เป็นความทุกข์เกินไหวรู้สึก ก็หลุดออกมาอันนี้เห็นได้ชัดการสัมผัสรู้มันเป็นความบริสุทธิ์มันเป็นความสว่างมันไม่ใช่เป็นวิธีคิดแยกเยะ มีความรู้สึกตัวมีสติจริงๆเนี่ยมันมีสติในการแยกแยะมันทำให้ความคิดของเรามันคิดตรงคิดแล้วสามารถวางความคิดมาคิดจบได้ทันควันทันทีทันใดมันไม่ต้องคอยทนโนทนอม พอเคลียอ้อยอิงอะไรอววรคิดแล้วว่ารู้สึกว่ามันวางไม่ลงโดยบางทีพลังขึ้นของความคยดยังเล่นงานจะนอนก็ยังหาเรื่องมาคิดอยู่บ้านเอาเรื่องงานกลับไปคิดอยู่ที่ทํางานเอาเรื่องบ้านไปคิด จะอยู่ที่ไหนก็ตามก็รู้สึกว่ามัเป็นสุขสับสนจะรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยการงานที่อยู่ตรงหน้าทานข้าวก็ไม่ได้ทานข้าวทานข้าวก็คิดเรื่องงานเรื่องปัญหา ที่ยังแก้ไม่ตกเดิ่มน้ำก็คิดจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็คิดมันไม่ได้อยู่ตรงหน้ากับสิ่งที่กาลังทำคิดอดีตก็จมในอดีตเกียนอนาคตก็วกวนอยู่กับอานาคตอยู่กับปัจจุบันก็วิภาวิจารณ์ มันก็คือคิดน่ที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันถูกจิบยกเอามาใช้ให้เกิดทุกข์แต่พรเมีวิชากรรมฐานแล้วตัดกลับมาทุกลั้งพอเราลองฝึกนิสัยนะความคุ้นชินเคยชินสลัดออกมาจากความคิดมาอยู่ความรู้เนื้อรู้ตัว จนสติภาวะผู้ดูมันเด่นออกว่าเราจะเห็นออหนทางของการปฏิบัติเทคนิคในการแก้อารมณ์ปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นมาทุกครั้งหลงไปเรื่องใดก็ตามทางตาหูหจมูกลิ้นอารมณ์ก็กลับมาที่ฐานกายเป็นสุขภาวะทางจิตเป็นจิตตะภาวนา ทางที่มีปัญหาหมกมุนคุณคิดจอทั้งเกิดความวิตกกังวลเบื่อซึมเศร้าเซง็งกลับมาได้มันเป็นสุขภาวะทางจิตมันเป็นจิตตาภาวนามันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องโรคจิตป่วยโรคจิตเนียจิตตาภาวนาเป็นวิชา รักษาคนไข้ที่ป่วยทางจิตเป็นศาสตร์ทางตะวันออกแต่ส่วนใหญ่ทางการแพทย์ไทยใช้ศาสตร์ทางตะวันตกให้ยาคนไข้กินจะต้องเกิดการแจกซ้อนมากมายผลข้างเคียงของยาฤทธิ์ของยาจะไม่เกิด ตาแข็งเกล็งเปิดแสบเปวดร้อนคอแห้งโรคกระเพาะการบีประสาทการกดประสาทต่างๆทำให้เพี้ยนไปอย่างมากแทนที่จะหายจากโรคแต่ลองมาใช้ศาสตร์ทางตวนันออกดูสิจิตตาภาวนาเราเห็นว่ามันง่ายๆนี่แหละโรคจิตโรคประสาท ก็คืนสู่สภาวะปกติได้ไวในโลกนี้หกพันกว่าล้านคนเป็นโลกจิตโลกภาษาทุกคนบ้าคนละอย่างไม่มีใครหรอกไม่บ้าถ้าไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติเคยฝึกสติประฐานมาก่อน บานทีหมอโรคจิตบ้ากว่าคนไข้โรคจิตซะด้วยคุมดีคุมร้ายนะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เมื่อใครก็ตามเข้าสู่นะการฝึกหัดจิตตภาวนาและเกิดวิปัสนาขึ้นมาจหายจากโรคโรคจิตโรคใจ คิดแล้วกุ้มก็หายไปคิดแล้วกลัวก็หายไปคิดแล้วโกรธก็หายไปคิดแล้วโลค ก, ก็หายไปหายจากโรคจิตนามโรคนามเป็นโรคหลายอย่างไม่ได้ถูกระบอว่าเป็นโรค ก, การแพทย์ยังไปไม่ถึงความโกรธมันเป็นโรคทำงานไปโกรดไปบางคนโกรดเครียด ทำงานหนักก็เครียดจัดอารมณ์ก็หงุดหงิดเก่งประพฤตความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวถูกนาไปใช้ได้การทํางานเื่อนไหวไว้ด้วยรู้สึกตัวไปด้วยจะเป็นโครก็รู้สึกตัวไว้ด้วยสอนหนังสือจะเป็นหมอรักษาคนไข้ก็รู้สึกตัวพยาบาลก็รู้สึกตัว บุคลากรต่างๆคนงานคนสวนยามความรู้สึกตัวจิตตวงเดียวกันทำงานแต่หน้าที่แตกต่างกันไปมีความรู้รับรู้ข้อมูลมีโอกาสที่จะไปร่ำเรียนในวิชาการแต่เรก็ิมมีความสามารถแตกต่างกันไปก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองเป็นคนไกของหน่วยงาน มีค่าเท่ากันคือทํางานขององค์กรให้สําเร็จแต่ถ้าไม่มีสติจะเกิดการเปรียบเทียบฉันเป็นปุ่มกัญชาฉันเป็นหมอแพทย์ฉันเป็นพยาบาลฉันเป็นคนงานฉันเป็นลูกจ้างประจําฉันเป็นลูกจ้างชั่วคราวเกิดการเปรียบเทียบ ทำงานด้วยความไม่จ่าเมื่อกี้ทำงานกันโดยความเห็นแก่ตัวนะมีความเห็นแก่ตัวก็ไม่เอื้อตอนน้ำจินน้ำใจไม่มีการให้เวลา มาช้ารีบกลับไปอยู่ที่ไหนก็องค์กรนั้นก็เดือดร้อนหลายคนก็ไปทำงานแล้วก็มีความทุกข์อย่างมากเพราะว่างานที่ทำนิมทำแล้วมีความสุขคนในจะากออกคนนอกอยากเข้า รอปลายเดือนได้รับเงินคิดว่าจะมีความสุขไปจับใจใช้สอยให้เงินรอปลายเดือนและท้ายสุดก็ไม่ใช่บางทีก็เป็นนี่เป็นสินติดลบไปเลยกูจนเวลาออกแล้วบำเหน็จบำนาญก็ยังไม่พอใช้นี่สา ก, กร เป็นปัญหาสังคมเนี่ยประเทศชาติต้องเพิ่มค่าแรงต้องเพิ่มค่าตัวต้องรวมกลุ่มชุมนุมเรียกร้องก่อความวุ่นวายต้องมีการปฏิวัติธรรมเจริญสติฝึกสติก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง มีความสุขอยู่กับปจิวันนะติขณะตั้งตื่นจะทำอะไรมันก็ทำไปเป็นอิสระภาพของจิตจิตใจก็ปกติมีความรู้ก็ถูกนำมาใช้ก็ทำงานทำการไปมีความรับผิดชอบส่วนใหญ่มั่จะถูกถ้ามีสติผิดก็เป็นถูก เป็นเรื่องของสติจิตใจก็เป็นปกติมันเป็นกระบวนการรักษาโดยที่เราไม่ต้องระคาประกองทุกขั้งที่รู้สึกตัวทุกครั้งที่รู้สึกตั ว, ตวมันก็จบแค่นั้นมันไม่ทุก เคลื่อนไหวรู้สึกตัวจิตใจเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกตัวติดก้อนของอารมณ์มันก็รู้สึกตั ว, ส, ตวสุขภาวะทางจิตใจของเราจิตใจเป็นปกติจิตมีมาตรฐานมาตรฐานของจิตก็คือปกติมาตรฐานของกายเราต้องเกี่ยวข้องกับมันมากมายเหลือเกินมันถึงจะมีมาตรฐานมีความเป็นปกติของกาย เกี่ยวข้อกับอากาศร่างกายของเราต้องหายใจออกออกซิเจนเข้าไปปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเราก็ได้หายใจไปฟรีฟรีเราก็หายใจแล้วก็รู้สึกตัวร่างกายก็มีชีวิตจิตใจก็มีชีวิตอุทกร่างกายของเราต้องมีน้ํา น้ำสามในสี่ของร่างกายเรามีธาตุดินอยู่ส่วนเดียวก็เหมือนกับโลไวน้นี้ร่งางกายมนุษย์มีน้ำอยู่7 0 7ดเจิตจิตใจก็ต้องมีน้ำเหมือนกันก็น้ำใจมีน้ำใจรับน้ำใจมาจากผู้อื่นความดีมาจากผู้อื่น เร่ยกว่าบุญทุกคนต้องมีบุญต้องได้รับบุญส่วนผลบุญที่เราทําให้กับตัวเองมาก่อนแล้วคนอื่นก็เห็นว่าเราถ้าดีแล้วมีประโยชน์เขาก็ทำบุญกับเราเราก็ได้รับน้ําใจเมื่อเราได้รับเราก็คืนตอบให้กันต่อต่อไปน้ําใจน้ำำําคํา หมายถึงคำพูดเกนะิดความดีขึ้นมามนโนกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีกายกรรมก็ดีมีการแสดงออกได้ทั้งตัวางกายแล้วทางจิตนะมีความสุขอาหารอาหารของกาย เป็นอาหารห้าหมูแล้ว อ, อาหารกี่หมูก็ตามตามความเชื่อตามคติของตาละบุคคลลัลกษณะกรรมลักษณะธรรมของตาละบุคคลแต่ก็ไม่พ้นธาตุตัดน้ําตัดไฟตัดดินตัดลมกินวันใหญ่เป็นไก่หมูขึ้นตาโชช่างขายไม่มีค่า ให้อาหารกายอย่างเดียวต้องให้อาหารจิตใจด้วยร่างกายเป็นกระวิงกลาอาหารจิตใจเราก็ได้มโนสันเจตนาอาหารเกิดความแข็งแรงขึ้นมาทั้งกายทั้งใจจิตใจแข็งแรงคือทุกยากร่างกายแข็งแรงก็ผุ้ยไข้ขไม่สบายยากทํางานทําการได้เต็มที่ มีพลัมีกำลังอาพอรอาพอรก็คือเครื่องนึ่งหม่มเราก็ต้องใส่อาพอรเสื้อผ้าให้เหมาะตามฤดูกาลในเช้านี้มีฝนตกมาแต่อากาศก็ยังอ้าวอยู่เหนียวเหนียว เหนียวเน้อเหนียวตัวเรารู้จักเกี่ยวข้องอาบน้ำอาบผ้าล้างหน้าแปรงฟันเช็ดเนื้อเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมรู้สึกหนาวก็ห่มผ้ามีผ้าพันคอใส่เสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวถ้าร้อนร้อนแล้วใส่เสื้อผ้าติดมลบายให้เหมาะสม ตามจารีตประเพณีวัาธรรมไทยแต่ว่าอาภรณ์ที่ประดับจิตประดับใจของเรา mm hmm. ก็คือคุณธรรมความอดทนความเมตตารุณนาความรายต่อผาพในความขยันมีความซื่อสัตย์ ความประหยัดความอดทนกตัญญูมันเป็นคุณธรรมเป็นอาภรณ์ประดับจิตใจของเราหน้าตาของเราเครื่องประดับที่ดีที่สุดก็คือรอยยิ้มรอยยิ้มเป็นเครื่องประดับที่ดีที่สุดใบหน้าของเราส่วนจิตใจก็คือความเป็นปกติการให้ ให้อย่างเป็นปกติให้ความดีความงามให้ความจริงใจให้ความซื่อสัตย์มันเป็นอาภรณ์เราสรรสร้างด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละเห็นมันหยิบมันมาใช้ใจเสลว่างพจาร์แล้วร่างกายต้องขับถ่ายมันมีการ นับประทานเข้าไปก็ต้องเอาออกเมื่อเราเอาออกแล้อของเก่าอาหารเก่าอาหารเสียเป็นพิษเป็นภัยครับออกของดีแล้วใช้ร่างกายกระโดดซึมซ้อมแซมส่วนที่สึกหลอให้พละให้กำลังกา พืชกินได้ไม้มเป็นยาอาหารธรรมชาติอาหารปลอดสา ร, รพิษสา ร, รพที่เราจะสรรสร้างแต่ท้ายสุดก็คือมันก็เป็นของเสียไฟเบอร์ถูกขับออกมาอาหารกากใยต่างๆถูกขับออกมา จิตใจของเราก็เหมือนกันมันมีนะขยะความคิดนะขยะอารมณ์ที่ตกค้างเราจะสังเกตในเวลารู้สึกตัวมันถูกขับออกมาไม่มีใครปฏิบัติธรรมแล้วจะนั่งแบบสบายมันไม่ใช่ประาหารความคิดนะที่เราใช้ เราคิดเข้าไปเราคิดลงไปมันก็ถูกบดถูกย่อยแยกแยะมันก็มีดีมีไม่ดีมีโทษมีคุณถูกแยกแยะออกมาคุณนัานๆก็โทษมาหันเราใจความคิดก็เกิดคุณค่าความคิดใชจเราก็ค่าคุณมันก็ถูกเก็บหมักมมมมาไว้ตกตะกอนนอนต้นก้นะ เป็นบันทิดเครื่องเศร้าหมองไปในจิตไปในใจเป็นตะกรนอนก้นเลยตกผลึกพอขยาเต่นนั้นนะรู้สึกตัวมันก็กวนฟุ้งขึ้นมาไม่มีใครไปรไะดัดทำโดยไม่ผ่านความฟุ้งซ้านความคิดมากหรอกแต่มันเป็นเรื่องดีเราได้เอาออกไปจากจิตจากใจของเรา เรื่องไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปให้กําลังปรุงแต่งแล้วก็สนับสนุนมันคิดแล้วรู้ปุ๊บกนะถูกวางถูกทิ้งไปเลยทุกครั้งที่คิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจออกกําลังกาย ร่างกายที่เด็กก็ต้องออกกําลังกายยิงออกยิงได้ล้อออกกําลังกายออกลงไปแบกบของหนักลงไปวิ่งลงไปเหนื่อยหนื่อยก็ต้องวิ่งเหงื่อออกก็ต้องวิ่งร้อนก็ต้องวิ่งถึงขั้นเจ็บเปื่อยจับไข้วันลุกขึ้นก็ต้องหาทางขยับก็เยือนเคลื่อ น, นไหวอย่างเช่นตื่นขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกก็ต้องออกกําลังกายก่อน มาดูร่างกายของเรามันนอนยังไงค่อยอๆชันเข่าขึ้นมาข้าแมวหน้า <Tuesday> ท้องอิติปิโสสามรอบท่องอิติปิโสส่วนอิตโสักสามรอบเสร็จแล้วก็ชาวทาเอเท้าเท้าซ้าย เหยียดปล่อเหยียดเท้าซ้ายกระท่องอิทธิวิโสเกรงไว้วสักสรอบเกรงหน้าท้องเอาไว้แล้วหดกลับมาชันเข่าแล้วก็เอาเท้าขวาเหยียดท่องอิทธิพิโสสักสรอบเสแล้วสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเกง็งเหยียดตรง ลอยขึ้นจากพื้นเกรงหน้าทอ้องกล้ามเนื้อหน้าท้องอิติวิโสทรอบหลังจากนั้นเราก็คว่ำเอาหมอนมาหนุนที่ท้องแล้วก็เกรงขาขึ้นไปส่วนบนหัวก็เหมือนกันก็ตัวลอยแบบซูเปอร์แมนเหาอิติวิโสทรอบ ลุกขึ้นมาเอามือดันแผดานฝาดันไปแล้วก็เหยียดเท้าเกล็งเอาไว้ซ้ายข้างสักครู่นะึงขวาข้างสักครู่นะึงก็คือข้างขวาข้างซ้ายอ่ะนะเหยียดตรงไปอิติวิโสแข่งแขน หรือ ว, ว่าทำอะไรต่อไปก็ออกกำลังกายพร้อมก็ออกกาลังจิตด้วยจดจ่อเคลื่อนไหวรู้สึกตัวใส่ใจลงไปกับความรู้สึกตัวมีสติลงไปกับการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะมันก็ทำให้เกิดความแข็งแกร่งกันมาความแข็งแรงัมาทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายนมามธรรมก็ได้รูปปรรทก็ได้ มนรู้สึกตัวที่รูปธรรมรูปธรรมก็ได้มีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับจิตมันก็ได้ทั้งกายทั้งจิตก่อประโยชน์การไรรมทำได้ทุกเวลาเลยเรื่องของอารมณ์ก็เหมือนกันจิตใจแล้วก็มีอารมณ์ เกิดความคิดขึ้นมามากมายเกิดอารมณ์ขึ้นมามากมายเป็นนามธรรมโกรธนี้เป็นนามธรรมโล ก, ก็เป็นนามธรรมริษยาก็เป็นนามธรรมสุขทุกข์มันเป็นนามธรรมมันก็ไม่พ้นตาสติซึ่งเป็นนามธรรมแต่ว่าว่องไวกว่าในสติมีปัญญามีรู้จักแก้ปัญหามีทางออกจากอารมณ์ แกอารมณ์เองได้ทุกครั้งที่มีสติรู้เท่ารู้ทันอารมณ์รอเรือมเป็นนามธรรมแต่ลมที่พัดมากระทบเราเนี่เป็นรั่วธรรมลมกระทบร่างกายของเราเย็นสบายทุกครั้งเราก็เลือกได้อารมณ์ไหนที่เป็นอารมณ์สบายเลือกได้ ความเป็นโปรติในสบายเบามีไหวพิปฏิพานมีเชาวปัญญาเราก็สังเกตได้มันเป็นแหล่งคุมรัพย์เลยของชีวิตเราเพราะนั้นการเวทธรรมทำให้เกิดสุภาพกายและสุภาพจิตและเป็นจิตตภาวนาที่สมบูรณ์แบบเราสามารถที่จะนั่งเดินยืนนอนทั้งวันกรตื่นยันหลับ เคไวรู้สึกมีวามสมมุรณแบบของชีวิตเราทำอะไรมันก็มีความรู้สึกตัวพอมีความรู้สึกตัวกุศลและธรรมทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นมาสติเป็นพ่อเป็นแม่ของกุศลและธรรมของความดีทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกวันถุและมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆชีวิต ไม่เกี่ยวกับชาติศาสนาไหนก็ตามไม่เกี่ยวกับอาชีพการงานฐานะฐานาสะสกุลลนชาติไม่เกี่ยวเวลานักบวชบวชก็จะมีนวโกวาทหนังสือคำแรกเลยที่พระบวชแล้วจะต้องพูดทำข้อแรกเลย ธรรมที่มีอุปการะมากที่สุดเลยคือสติและก็สัมปชัญญะเป็นภาษาบาลีสติสัมปชัญญะ ก, ก็แปลเป็นไทยคือสติคือความรู้เนื้อรู้ตัวสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นปริเฉด ท, ที่หนึ่งนวโกวาดปริเฉด ท, ที่หนึ่งจะต้องรู้จักเลยสติสัมปชัญญะ บวที่แรกกรรมาฐานตัวแรกเลยคือรู้จักเกศาโรมานทันตานขาตะโจก็คือมารูเนี่ยกดเล็บปันหนังพวกนี้มากำหนกรู้ร่างกายของเราเนี่ยเพราะนั้นการที่เราจะมีสุภาพกายสุภาพจิตพัฒนากายพัฒนาจิตมันก็ไม่พ้นหรอก ที่ต้องกลับมาปฏิบัติธรรมรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนไม่เว้นเลยแล้วก็คือภาวะพุทธะด้วยทุกครั้งจิตรู้ตื่นเบิกบานถ้าทำถูกถูกรองถูก้อยถูกช่องรู้ซื่อๆรู้เฉยๆมีความสมดุลมีความเป็นกลางมันจะเกิดเทคนิคปฏิบัติ ข, ขึ้นมาผ่านได้ทุกอารมณ์เกิดความง่วงก็รู้แล้ว เกิดความเบื่อขมก็รู้แล้วเกิดความคิดฟุ้งซ่านก็รู้แล้วเกิดตามเกิดปฏิบัติมันก็รู้แล้ ว, ม, ม, ลวมันหลงมันก็รู้มันรู้มันก็รู้พอมันมีความรู้สึกตัวมันจะใช้ได้จริงๆก็ จ, งจึงง่ายกับการปฏิบัติการปฏิบัตินี่ง่ายนะปฏิบัติธรรมแบบวิถีพุทธนี่ยมัควิวถีนี่ง่าย ม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยดังนั้นเราก็จึงฝึกหัดกันเต็มที่วันนี้เต็มวันที่กลุ่มปฏิบัติจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มวันแล้วก็เต็มที่นั่งเดินยืนเต็มที่มันก็จะได้มีสิ่งนี้ความรู้สึกตัวคมชัดแล้วก็สามารถ นำออกไปใช้ได้ในชีวิตจริงต่อไปจะนั่งจะเดินจะยื น, จ ะ, ยนจะนอนจะขับรถขั บ, ขบเรือจะเขียนหนังสือจับปากกาจับจอนจั บ, จบชามจะทําอะไรก็ตามก็เป็นการไปทำตลอดไปแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับการทําอะไรก็ตามตลอดไปถึงทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานตรงนี้ก็เลยพูดฝากเอาไว้ วันนี้ให้เรารู้สึกตัวแล้วก็ทำให้มากที่สุดตั้งช่วยโอกาสทำในรูปแบบหาโอกาสทำในรูปแบบให้มากที่สุดแล้วก็ช่วยโอกาสในขณะที่เราไม่ได้ทำในรูปแบบหาโอกาสที่จะฝึกตัวเองนอกรูปแบบก็ทำ อ, อย่างเต็มที่ต่อไป วันนี้หลวงพ่ออยู่ที่วัดภูเขาทองนะมีงานฝึกหัดปฏิดัติธรรมกันในสายงานของเราก็ถือว่าร่วมงามกับร่วมงานกับท่านด้วยกนะ็เลยการที่ปฏิบัติตัวกันอยู่ที่นี่แหละนะไม่ต้องไปรวมตัวแย่งกันอยู่แย่งกันกินนิดนนก็ไดนะ้ตอนนี้เท่าที่สังเกตก็ลัอยู่4ี่ห้าคนนะอยู่ที่วัดไมบ้ชีเหลืออยู่รูปเดียวมาทำวัดเนี่ยนะก็ทําสิ่งเดียวกันนั่นแหละ 2,000 ว่า ป, ปีมันก็ถามอย่างนี้แหละมันก็ไม่ใช่เป็น 2,000 ว่า ป, ปีกับวันนี้หรอกก็เป็นสิ่งเดียวกันก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราเอาตัวเองนี่แหละเป็นพระเจ้าเลยความรู้สึกตัวนี่เป็นพระเจ้าเล ย, มเ ย, เเเลยไม่ต้องให้อยู่ในเจ้าชายศีด็จทาไม่ต้องให้อยู่ในพระเจ้าห้าพระองค์หรือหลายหลายพระองค์ที่ผ่านมา ให้มันอยู่ตรงนี้แหละชาวพูดธมีความเชื่อตอนนี้สมณะโคดมเถรวองค์ต่อไปคือสีอริยเมตไตเราไมต้องรอเกิดยุคพระสีอริยเมตไตรหรอกเอายุคนี้แหละทําใจของเราให้มีเมตตากันแล้วกันถ้าเกิดเราเกิดในยุคของพระสีอริยเมตไตแล้วแบ่งปันมีแต่ ก, การแบ่งปันมีแต่ความดีทุกคนไม่มีการเห็นแก่ตัวมีการเอื้อเฟื้อกันนี่ ถ้าเกิดที่เราก่อนอย่างนี้นะล้วก็ขอให้การเวทธมของเราทั้งหลายก็จะเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนตืิ น, น